ห้าสิบสามนกูเรชิระนรชิระร้านค้าตุจันทรรุจันทรเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา ح ح สปอร์ตทุชันทิเช่ห์หัวสร์ตทเรากำลังมองหาร้านขายเนื้อลิเช่ทุชันท s เช่หัวลิเช่ทุชั a ทิรากำลังมองหาร้านขายยาุ ح ح ุอ เราต้องการซื้อลูกฟุตบอลฟุตบอลฮชัตติเชฟต์รยฟุตบอลฮาชัตตบดิเชฟตระยว่าเราต้องการซื้อซาลามีนัคุชโซาลามีดิเชฟตรยานคโซาลามีิเชฟตรยว่า เราต้องการซื้อยา w o o อ s a z ค k e r tscheffel t r e i w ุ c อ w o o ค s azoker tscheffel เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอลส p อ r t tuchan t s c h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 woods แอ๊ดาที่ยฟอ๊พรดาที่ิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ s ดูเชจซึ่เียร์จ่ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ โฟโตตุจานิียมสิยดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานอัุริชรมสิอุริชรมสิอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพฟัอันอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กทอร์ตเ ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม ฟอโตุชันน์ซึ่้าฟอต้ลิ้งค์สเชฟน์นไปย์ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้กสต เสียฟนึ่มไป